นะโมตัสสะพหุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพหุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพหุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขันติปรมังตโปติทิฆานิพานังปรมังวันติพุทธานะหิปปะจิโตปรูปะคาติ ณสมโนโหติปรังวิเฮท ย, ยันโตตีตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมมเทศนาในหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเพื่อให้สำเร็จเป็นธรรมมัสวนใหม่และขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้สะดับตับฟังพระธรรมมเทศนาธรรมมัสวนใหม่ สำหรับพระธรรมเทศนาในวันนี้หัวข้อก็คือรรมที่เป็นโอวัตถปาติโม่นะซึ่งในช่วงเทศกาลวันมาคะบูชาสาธุนิโชนสายไม่ว่าจะไปที่วัดแห่งใดก็ตามนะก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าพระเทรานุเถระทั้งหลายท่านจะได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องโอวาทถปาติโมซึ่ง โอวาทปาติโมกนี้ทําไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงแสดงแก่ใครและแสดงที่ไหนแสดงเมื่อไรเมื่อแสดงแล้วพุทธศาสนิกชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการฟังโอวาทปาติโมกซึ่งพระคาถาที่ยกมาก็าคือคาถาที่ว่าขันติปรมังตโปติติขานิพานังปรมังวันติพุทธา นหิปปะิโตปรูปคาตีนสมมโนโหติปรางวิเหทยันโตซึ่งได้ยกมาไว้เป็นนิเถปบทนั้นความของพระคาถานี้ก็คือการที่ภิกษุที่จะบวชเข้ามาในพุทธศาสนาซึ่งในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จตัดสัุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ล่วงได้9้าเดือนนับจากวันเพ็ญเดือนหไปถึงวันเพ็ญเดือนสมก็เป็นเวลาเก้าเดือนก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือนสนั้นก็ได้มีเหตุการณ์สําคัญก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือนสามวันพรุ่งนี้ก็คือมีพระภิกษุที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาจํานวนพันสองรรูปที่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งได้อภิญญา แต่ก่อนที่พิพิสูตหนึ่งพัร 1, ูปจะเข้ามาบวชนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมแก่ปัญจวคขีทั้งห้าได้แสดงธรรมแก่พยายัสสากพร้อมทั้งบริวารและพัทธวัคคีสามสซึ่งในขณะนั้นรวมแล้วก็เป็นพระอรหันต์จำนวน61รูปที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วสาเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ในเหตุการณ์ วันมาคบูชาก็คือวันที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นั้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมแล้วฟังโอวาทาปฏิโมกนั้นไม่ปรากฏว่าภิกษุจำนวนหกสิบเอ็ดรูปที่ได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์ก่อนชดินทั้งหนึ่งพันและบริวารของภาษาบุตรโมคลานะจำนวนสองร้อยห้าสิบท่าน พระสุ61รูปเหล่านั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันสําคัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันที่จะถึงในวันพรุ่งนี้คือวันมาฆบูชามีความสําคัญสําหรับชาวพุทธทั้งหลายที่ควรสําเนียกเอาไว้ก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนสหรือที่เราเข้าใจก็คือวันที่มีดาวมาฆะไปประกอบกับดวงจันทร์เรียกว่ามาฆเลิกหรือวันมาฆบูชา และในวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ก็คือพิสูจน์จำนวนหนึ่รหรูปซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้ปฏิสัมพิธาได้อภิญญาหกมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพิสูจเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสาสสะปทาเมื่อมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดแสดง โอวาทป า, าติโมการแสดงโอวาทป า, าติโมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในวันนั้นพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาสองกันในตอนเช้าทรงแสดงเวทนาปริกหะสูตรโปดหลานของพระสารีบุตรชื่อว่านายทีคะนขะในขณะที่แสดงธรรมโปรดหลานของพระสารีบุตรชื่อว่ า, น, ข น, ขา น, นายทีฆะนขะ น, ข น, ขนั้น ในขณะนั้นพระสารีบุตรบวชในพุทธศาสนาแล้วแต่อย่าสำเร็จเป็นโสดาบันอยู่เมื่อได้ฟังธรรมมัทเนาในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่หลานของตนพระสารีบุตรฟังไปน้อมจิตพิจารณาตามไปมีโยนิโสมนสิการในการพิจรารณาธรรมตามไปด้วยในขณะนั้นก่อนจะถึงเพนพระสารีบุตรก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา เพราะฉะนั้นพระสาลีบุตรได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ในช่วงเช้าในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็ได้มีพิสุสงฆ์หนงันรหรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในช่วงเย็นที่วัดเวฬุวันมหาวิหารองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือโอกาสแสดงธรรมะซึ่งเป็นโอวาทที่จะสอน พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะนําแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ในวันนั้นก็คือโอวาทะปาติโมกเพราะนั้นคำว่าปาติโมกนี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคงจะเคยได้ยินทุกวันสิบห้าค่ำจะมีพระสงฆ์ลงปาติโมกปาติโมกนั้นกับปาติโมกในวันโอวาทะปาติโมกต่างกันอย่างไรซึ่งตรงนี้ท่านสาธุชนบางท่านก็เข้าใจ แต่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าเอพระลงปฏิโมกทุกวันสิบห้าค่ำกับโอวาทปาติโมกต่างกันอย่างไรบ้างนะอาตมาก็จะจะได้แสดงความต่างกันระหว่างปาติโมกทั้งสองอย่างคือปาติโมกที่พระพิสูจน์ท่านลงอุโบสถทุกวันสิบห้าค่ำนั้นเป็นอาณาปาติโมกส่วนวันพรุ่งนี้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นเป็นโอวาทปาติโมกต่างกันเป็นคําสอนเหมือนกัน แต่คำสอนสองอย่างนี้มีลักษณะต่างกันตรงที่ว่าอาณาปาติโมเป็นกฎบัญญัตินะเป็นกฎหมายของพุทธศาสนากฎหมายที่จะใช้บังคับพิสูจน์ส่งส่วนโอวาทปาติโมเป็นศีลในเชิงปฏิบัติที่เป็นอาจารศีลหรือเป็นธรรมะที่พุทธองค์ส่งให้โอวาทแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับถ้าใครอยากทาก็มีประโยชน์ไม่ทาก็ไม่มีประโยชน์ ส่วนอาาปาติโมกนั้นถ้าภิสษุ์สงองใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็มีโทษเช่นปราชิกสี่ข้อถ้าภิกษุสงรูปใดล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุหรือสังฆาธิเศษส3สข้อซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นอาณาปาติโมกเพราะฉะนั้นคำว่าปาติโมกนี้ศรัทธาญาดโยมสาธุชนไปดูนิชสการต่างๆก็จะเห็น าการเขียนปาติโมกซึ่งเขียนคําว่าปาติโมกนั้นเราจะเห็นหลายๆที่เขียนด้วยต่อประตัด ก, ก็คือปาติโมกปาติโมขคคังนะฮะปาติโมกที่เขียนด้วยต่อปะตัด ก, กับเขียนด้วยต่อเต่าต่างกันอย่างไรนะแท้จริงแล้วความหมายของคำว่าปาติโมกปาติโมขังปาติโมกขังทําให้หลุดพ้นโดยพิเศษคือผู้ใดที่ปฏิบัติตามแล้วจะได้หลุดพ้นจากทุก์ในอบาย และจากทุกทั้งปวงในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคําว่าปาติโม ก, ก็มาจากปาอติโมคขะนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นภาษาไทยหรือเขียนเป็นภาษาบาลีก็ตามนะต้องเขียนด้วยต่อเต่าจะเขียนด้วยต่อปาตา ก, ก็จะไม่ถูกนะฮะนั่นะก็ความหมายของคาว่าปาติโมกและปาติโมกนี้รักษาผู้ที่รักษาปาติโมกคุ้มครองผู้ที่รักษาปาติโมกก็คือปาติโมกศีนั้นไม่ให้ตกไปในอบายภูมินะะ นั่นก็คือความหมายของว่าปาติโมเพระนั้นปาติโมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนํามาแสดงไว้แก่พุทธศาสนิกชนจริงๆแล้วในวันนั้นพุทธองค์แสดงแก่ทิกษุบริษัทหนึสอร้อยหรูปไม่มีอุบาสกไม่มีอุบาสิกานาถามว่าทาไมาจึงแสดงกับพระภิสุสง์ดการที่ศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงเข้าใจและข้อสุดท้าย สัจิตระปริโยธปนังการทําจิตของตนให้ผ่องใสการทําจิตของตนให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้วนั้นเริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระในขณะที่จิตเป็นกุศลจิตก็ผ่องใสแล้วเจริญสมถภาวนาจิตสงบได้ฌานจิตก็ผ่องใสระดับหนึ่งหรือเจริญนิพพานาจนจิตหมดจากกิเลสจิตก็ผ่องใสอันสูงสุดเพราะฉะนั้นคาถานี้แปลสำนวนพระสูตรก็ดังที่ได้อธิบายไปส่วน การแปลในจำนวนพระอภิธรรมสัพพะปาปัสสอักกัรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงในที่นี้ก็คือการไม่ยังให้อกุศลลจิตทั้ง12ดวงเกิดขึ้นคือโลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองไม่ทำให้อกุศลลจิตเกิดขึ้นนั่นเป็นการแปลจำนวนพระอภิธรรมนะสัจจตาปริโยธปนงังการทำให้กุศลถึงพร้อม กุศลในสำนวนพระอภิธรรมมีอยู่4อย่างอย่างต่ำเรียกว่ามหากุศลเช่นการฟังธรรมก็เป็นมหากุศลรักษาศีลก็เป็นมหากุศลและมหากุศลระดับกลางคือรูปาวจรกุศลกุศลที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาจนได้ฌานอภิญญานั่นคือกุศลระดับที่2 ก, ศกจจ 4, ุศลระดับที่3คืออรูปาวัจระกุศลอรูปาวัจรกุศลก็เจริญอรูปฌานจนได้อรูปฌานสี่นั่นคือกุศลระดับที่3 กุศลระดับสูงสุดคือมัคกุศลหรือที่เรียกว่าโลกุตตะกุศลแปดวงนโลปุตตะกุศลมัคซนั่นเองดึงเดียกว่าโลกุตตะกุศลเพราะฉะนั้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมในมุมมองพระอภิธรรมก็คือทําให้มหากุศลมหากรตะกุศลและโลกุตตะกุศลถึงพร้อมนั่นเองนั่เป็นการแปลในมุมมองของพระอภิธรรม ส่วนข้อสุดท้ายสัจจิตตปริโยธา ป, ปนังการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วในสํานวนพระอภิธรรมมีอย่างเดียวก็คือทําให้อรหัตตมะกจิตเกิดเมื่ออรหัตตมะกจิตเกิดเป็นพระอาหารหันต์แล้วจิตผ่องแผ้วอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือการแปลในสํานวนพระสูตรและสํานวนพระอภิธรรมซึ่งคาถานี้เราจะเห็นทั้งปุกาลาทิฐานาาทั้งธรรมาธิฐาน สำหรับพระพิสูจฟังแล้วนําไปใช้สําหรับญาติโยงฟังแล้วนําไปใช้เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะถ้าฟังพระสูตรก็เกิดปัญญาถ้าฟังอภิถ้าฟังพระสูตรก็เกิดศรัทธาถ้าฟังอภิธรรมก็เกิดปัญญาทั้งศรัทธาและปัญญาพัฒนาไปคู่กันการบรรลุธรรมก็จะมีไปด้านคาถาที่สองคือสัรพปาปัสสะอาการณังกุศลสสะอุปสัมปทาสจิตตประโยธาปนังเอตังพุทธานะัสสะสนังซึ่งในคาถานี้น่ก็มี การแปลการแสดงความหมายหลากหลายนะฮะและยังมีอีกที่หนึ่งก็คือสัจจตระปริโยธบรรณ์สำนวนอีกสำนวนหนึ่งก็คือแปลสำนวนพระวินัยซึ่งพระไตรปิฎกเรามีสามปิฎกพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเมื่อกี้นี้แปลตามสำนวนพระสูตรตามสำนวนพระอภิธรรมหรือสำนวนวินัยปิฎกคือคาถาเดียวนี่วิธีการแสดงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงหลากหลายวิธี คำเดียวแต่มองได้ครบทุกมุมมองเมื่อครอบทุกมุมมองก็กระจ่างทุกอย่างสํานวนวินยัยบิดกสะพระปาปัสะอัการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการทักรักษาศีลการรักษาปฏิโมกขสังวรศีนให้บริสุทธิ์นั้นคือการไม่ทาบาปทั้งปวงนะกุศลสูปะสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมการยังกุศลให้ถึงพร้อมคือกุศลส่วนไหน ท่านใช้คําว่าสมถะวิโลกียะโลกุตละโลกียะโลกุตทะเลหิสมถะวิปัสนาหิกุศลังมักกุสลังสัมปาเทตาวายังกุศลส่วนที่เป็นโลกียะและโลกุตละให้ถึงพร้อมนะโดยอาศัยศีลเป็นพื้นฐานตอนแรกก็ต้องมีศีลก่อนนะใช้ศีลเนี่ยประหารอกุศลทั้งหมดไปหลังจากนั้นก็เจริญสมถะและวิปัสนาทําให้กุศลถึงพร้อม และข้อสุดท้ายจะจิตตปริโยธาปนังเอตังพุทธานศาสนังซึ่งข้อสุดท้ายทำให้จิตใจผ่องแผ้วทำให้จิตประพัสสอนจิตประพัสสอนนั้นก็มีสองอย่างประพัสสอนคือจิตลงผะวังจิตลงผะวังจิตนั้นก็ประพัสสอนคือยังไม่มีกิเลสเข้ามาอยู่ในใจ หรือจิตที่กําลังอยู่ในฌานจิตนั้นก็ประภัดสอนจิตที่กําลังอยู่ในมรรคในผลจิตนั้นก็ประภัดสรเพราะฉะนั้นพระคาถานี้แปลตามสํานวนประสูตร์วินัยพระอภิธรรมทั้งสามปีดกเราก็เห็นมุมมองครบนะเป็นคาถาที่สองซึ่งญาติโยมสาธุชนได้สดับตักฟังนะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ส่วนคาถาสุดท้าย อนูปวาโท อ, อนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัจจัญญาจะพัฒสมิงปันตัญจะศยนาสนังอาิจิเตเตจะอายโยโเเอตังพุท ธ, ธานะสาสนังอนูปวาโทการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นอนูปคาโตการไม่เบียดเบียนผู้อื่นปาติโมเขจะสังวโรการสํารวมในปาติโมนะฮะสำรวมในปาติโมคืคอสํารวมยังไงสํารวมในปาติโม ค, คือในข้อในศีล ที่องค์พระสัมมมาสัณฑิตเจ้าสํารวมในอานาปาติโมะอานาปาติโมะก็คือศีล227สําหรับพระภิกษุสํารวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดในศีล227ข้อเรียกว่าปาติโมเขจะสังวโรคือสํารวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นอธิจิตเตปันตันจ ะ, อ, ะอนุบวานโทอนุบคาโทปาติโมเขจะสังวโรมตัตตัญญาจะพัจจสมิง มัดดัญยุตารู้จักประมาณพัจจสมิงในพัทปันตัญจะเสนาสนังและเสนาสนะอันสงัดคือสองข้อนี้ต้องการให้พระภิสุสมเนียบในเรื่องของปัจจัย่ปัจใจสี่จจก็จะมีจีวรบินทบาทกิฬานาเภสัตเสนาสนะสี่อย่างด้วยกันใน4อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงยกมาให้ดูสองอย่างก็คือมัดดัญยุตาจาัดพัจจะสมิงข้อแรกต้องรู้จักประมาณในพัท รู้จักประมาณในพัดคือยังไงพัะวิสุอยู่รูปเดียวนะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเวลารับอาหารปินธรบานต้องรู้จักประมาณตัวเองคือไม่รับมากเกินไปถ้ารับมากเกินไปเมื่อไปถึงวัดแล้วทำยังไงต้องแบ่งให้เพื่อนสาธรมิกนะถ้ารับไปเกินบาทแล้วต้องแบ่งให้เพื่อนพระวิสุ ด, ด้วยกันถ้าไม่แบ่งก็ผิดกฎนะเพราะฉะนั้นต้องรับอาหารต้องรู้จักประมาณในการรับและข้อที่สอง รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคคือบริโภคอย่างไงพุทธองค์ก็แนะไว้การรู้จักประมาณบริโภคของพระภิสูจน์ก็คือก่อนที่จะอิ่มก่อนที่จะอิ่มเหลืออีกสักคำสองคานี่จะอิ่มพุทธองค์บอกให้หยุดหยุดแล้วก็ดื่มน้ําแทนนั่นแหละคือการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคคือไม่ใช่ฉันจนอิ่มแล้วดื่มน้ําตามนะคือเหลืออีกสักคำสองคาจะอิ่มแต่ก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ําลงไป พอดื่มน้ำลงไปแก้วหนึ่งอิ่มพอดีนั่นคือมัตตัญญุตาจากพัฒสมิงตันตัญจะเสยนาสนังรู้จักเสนาสนะอันสงัดถ้าบวชเป็นพระพิสูุน์แล้วพระพิสูจน์บวชในศาสนาออกจากบ้านมาสู่วัดถือว่าปลีกวิเวกแล้ววิเวกข้อไหนกายวิเวกนะออกจากบ้านมามาอยู่วัดถือว่ากายวิเวกหลังจากนั้นเมื่ออยู่วัดแล้วต้องเลือก ถ้าจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุต้องเลือกปันตัญจะเสนาสนังไซนาสนังเสนาสนะอนสงัดเสนาสนะอนสงัดคือเสนาสนะแบบไหนคนไม่พลุกพล่านนะถ้าเป็นพระต้องอาศัยอยู่มุมเงียบมุมเงียบมุมสงบซึ่งคำคำนี้ในอัตกถกถาท่านอธิบายขยายความว่าไปอยู่ในกุฏิเล็กๆนะที่ไม่ค่อยมีคนผ่านไปมาที่คนไม่ค่อยจะสนใจอยู่ตรงมุมสงบนั่นแหละเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีใครมาลบกวนอันนั้นก็พทธองค์ทรงแสดงปัจจัยสี่การที่จะใช้สอยเสพปัจจัยสี่เนี่ยยกมาให้ดูสองอย่างคือการใช้สอยโภชนะอาหารซึ่งเป็นปัจจัยข้อหนึ่งและการใช้สอยเสนาสนะซึ่งเป็นปัจจัยข้อที่สองส่วนการใช้สอยจีวรก็ดีการใช้สอยกีฬานาเพศก็ดีก็ให้รู้โดยในยะนี้ ก็คือแนะให้รู้สองวิธีที่เหลืออีกสองข้อก็ได้วิธีจากนี้ไปก็ต้องทําเป็นเพราะฉะนั้นมัตตัญญุตาจะพระจัสมิงปันตัญจะเซยนาสนังพุทธองค์แนะว่าชีวิตของพระต้องทําแบบนี้และหลังจากนั้นอธิจิตเตจะอาโยโคอธิจิตเตจะอาโยโคการประกอบในอธิจิตอะไรคืออธิจิตอธิจิตในที่นี้คืออัถฐสมาบัติสมาบัตแ8นั่นเอง คือพระพิสูจน์ในสมัยนั้นเป็นพระที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และได้ฌานอภิญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลถ้าไม่มีใครมาฟังธรรมะถ้าอยู่ธรรมดาธรรมลา ธ, ธรรมดาไม่มีงานอะไรทำเนี่ยก็ให้เข้าสมาบัติให้เข้าสมาบัติประกอบกับอธิจิตนะตรงนั้นถ้ามีคนต้องการฟังธรรมถ้ามีคนอยากจะรู้ธรรมก็ให้แสดงธรรมถ้าไม่มีใครมาหาไม่มีใครต้องการรู้ธรรมะก็ให้ประกอบในอธิจิต เพราะฉะนั้นอธิจิตเนี่ยเราเคยได้ยินอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลคืออะไรอธิจิตคืออะไรอธิปัญญาคืออะไรเพราะฉะนั้นนอยากจะอธิบายขยายเพิ่มสักนิดหนึ่งคําว่าอธิศีลคือศีลที่ยิ่งศีลที่ยิ่งอย่างเช่นศีลห้าของญาติโยมศีลห้าของเรานี้ก่อนที่จะรับศีลห้าเรารับไตรสรนคมก่อนเพราะฉะนั้นศีลห้าที่มีไตรสรานคมรองรับ เรียกว่าอาธิศีนได้เพราะเป็นศีลที่ยิ่งกว่าศี น, นอกศาสนาคือเป็นศีลที่เป็นบาดเบื้องต้นแห่งการบรรลุธรรมะได้คือยัดโยงไม่ต้องรักษาศีแปแค่รักษาศีห้าฟังธรรมะไปพิจารณาตามไปก็มีสิทธิ์สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยที่ไม่ต้องรักษาศีแปดเพราะฉะนั้นศีห้าในพุทธศาสนาที่มีไตรสรนคมรองรับจึงเรียกว่าอาธิศีล ส่วนศีลห้าในนอกศาสนาเรียกว่าศีลเหมือนกันแต่ว่าไม่เรียกอธิศีลเพราะไม่เป็นบาตเบื้องต้นแห่งการบรรลุไม่เป็นพื้นฐานที่จะลองรับมรรคลองรับผลได้จึงไม่เรียกว่าอธิศีลและศีลหกับศีล8เมื่อเทียบเคียงกันแล้วศีล8ก็เป็นอธิศีลศีลห้าก็เป็นสามัญญศีลศีล8กับศีล10เมื่อเทียบกันศีล10ก็เป็นอธิศีลศีลแก็เป็นสามัญญศีล ศีล ส, สิบเมื่อเทียบกับศีลสองิบเจ็ศีล2 2งก็เป็นอาทิศีลศีลสิบก็เป็นสามัญศีลเป็นต้นอันนี้คือการเทียบศีลขึ้นไปตามลําดับนะหลังจากนั้นอาธิจิตจิตธรรมดาโดยทั่วไปนะจิตของคนเราเนี่ยมีดวงเดียวแต่ว่าเมื่อว่าโดยประเภทของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีถึงแปดสชนิดแปดส้าถึงหรือหนึยยีชนิดเพราะฉะนั้น8ปด้าหรือหนึยยีชนิดตามอารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยจิตดวงไหนเรียกว่าอาธิจิต จิตดวงไหนเรียกว่าสามัญจะจิตจิตที่ไม่เข้าถึงฌานเรียกว่าสามัญจจิตเช่นตอนนี้เราฟังธรรมะจิตก็เป็นกุศลอยู่แต่ว่าจิตที่เป็นกุศลดวงเนี้ไม่สามารถกําจัดกิเลสออกไปได้นะก็เรียกว่าสามัญจจิตส่วนจิตที่เข้าถึงฌานเรียกว่าอาธิจิตนะและจิตที่เข้าถึงมัดก็เรียกว่าอาธิจิตเมื่อเทียบกับจิตที่เข้าถึงฌานเพราะฉะนั้นอธิจิตในทีนี้ก็ เริ่มนับตั้งแต่จิตที่เข้าถึงจานคือมหาคตาจิต27ดวงหรือที่กล่าวในตอนแรกคือรูปปุศนารูปปุศล น, นั่นเองเรียกว่าอธิจิตส่วนอธิปัญญาอธิปัญญาคือปัญญาชนิดไหนพาพูดถึงปัญญาสาธารณชนก็เข้าใจกันดีว่าปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายหลายชนิดแต่ปัญญาที่เป็นอธิปัญญาคืออะไรเริ่มเดิมทีเราต้องเข้าใจว่าปัญญาพื้นพื้ น, นคืออะไรบ้างเช่นในขณะที่เรากําลังนั่งฟังธรรมเนี่ย ฟังธรรมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเกิดปัญญาเป็นมหากุสนญาณสัมปยุตเป็นปัญญาแล้วเชื่อในกรรมและผลของกรรมไหมที่มานั่งฟังเชื่อเป็นมหากุสนญาณสัมปยุตเป็นปัญญาแล้วฟังธรรมแล้วนี่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไปน้อมพินิษฐพิจารณาตามไปไหมน้อมพินิษฐพิจารณาตามด้วยเกิดปัญญามหากุสนญาณสัมปยุตคุสนที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าฟังก็ไม่รู้เรื่องนั่งฟังไปหลับไปฟังไปหลับไปได้บุญไหมได้แต่บุญนั้นเป็นญาณวิปยุต คือบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะฮะอันนี้ก็เรื่องของบุญเรื่องของปัญญาแต่ตอนนี้สถานญาติโยมสาธุชนรับสรับศีลไหว้พระรับศีลเชื่อในกรรมและผลของกรรมบุญส่วนนี้เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเรียกว่าญาณสัมปยุตเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาสามัญปัญญาสามัญคือปัญญาที่ยังไม่สามารถละกิเลสได้ แต่ถ้าเอาความรู้จากตรงนี้ในขณะฟังทำตามไปน้อมพิจเริญน้อมพินิจพิจารณามีโยนิโสมนสิการตามไปด้วยและพิจารณาเสียงนเสียงที่ได้ยินก็ไม่เที่ยงผู้เทศก็ไม่เที่ยงผู้ฟังก็ไม่เที่ยงเพราะเสียงเกิดขึ้นนเสียงเก่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเก่าเกิดเสียงแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงทั้งหมดเป็นสัทธารณ์เป็นรูปไม่เที่ยง ผู้แสดงก็ไม่เทียงพิจารณาตามไปในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นวิปัสสนาปัญญาแต่พิจารณาเนื้อหาของธรรมะด้วยแล้วเข้าถึงธรรมเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจับขู่เกิดถ้าธรรมจักขู่เกิดดวงตาเห็นธรรมตอนนั้นแหละปัญญาตอนนั้นเรียกว่าอธิปัญญาคือปัญญาที่สามารถจัดการกับกิเลสได้เรียกว่าอธิปัญญา เริ่มตั้งแต่ปัญญาในมหักระตาุศลหรือปัญญาในฌานและปัญญาสูงสุดคือปัญญาในมัคกุศลซึ่งปัญญาส่วนนี้เรียกว่าอธิปัญญาเพราะฉนั้นพุทธองค์แสดงข้อเดียวคืออธิจิตเตจายโยโคนะอธิจิตเตจะยาโยโคที่เหลืออีกสองก็คืออธิศีลและอธิปัญญาก็ให้รู้โดยในยะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นโอวาทปาดิโมทั้งสคาถา ก็คือเริ่มตั้งแต่ขันติปรมังตะโปติติขานิพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปะปะชิโตบ ร, รุปรคาตีนสัมโนโหติปรางวิเหท ย, ยันโตคาฐานี้บอกถึงความเป็นพระพิสูน์เนี่ยก่อนจะเผยแร่ธรรมะให้คนอื่นต้องเผยแพ่ธรรมะให้อยู่ในใจของตนเองก่อนจะพูดอะไรให้คนเชื่อเนี่ยตัวเองต้องเชื่อก่อนนะเช่นเราจะเอาอยาอะไรสักอย่างหนึ่งไปขายให้คนอื่น เราเคยใช้หรื อ, อยังเราเชื่อสรรพคุณของอยาหรื อ, อยังถ้าเราเองยังไม่เคยใช้ยายังไม่ยอมเชื่ อ, อยาถ้าคนซื้อเขาถามว่าคุณเคยใช้หรื อ, อยังแล้วคุณจะตอบอยังไงเพราะฉะนั้นคาหาแรกก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะเผยแพร่าศาสนาพุ้ดวงวัดต้องนําศาสนาเข้าไปอยู่ในใจของพระให้ได้ก่อนถ้ า, าศาสนายังไม่อยู่ในใจของพระจะเอาอะไรไปให้ชาวบ้านเอาไปก็เพียงแต่เพียงคําพูดนะแต่ถ้าพระนั้น ถ้าเป็นพระต้องรู้ขันตินะรู้ขันติต้องมีอุดมการณ์มีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานถึงจะเป็นบุุรชนแต่ก็ต้องมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งต้องปฏิบัติให้บรรลุถึงพระนิพพานให้ได้ต้องมีเป้าหมายส่วนนี้และหลังจากนั้นจะเผยแพร่ศาสนาก็ต้องมีแบบนะหีปัพพชิโตนะ ปรูปคาตีคือถ้าเป็นบนรรปชิตแล้วไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นนาสมโนโหติบรังวิเหตยันโตถ้าเป็นสมณะต้องสงบจากบาป ก, การจะสงบจากบาปก็คือไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาวุธด้วยศัตรา์าด้วยท่อนไม้เป็นต้นนั้นคือสมณะถ้าพระวิสุมีธรรมะอยู่ในใจดึงศรัทธาญาติโยมได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตคือถ้ า, ภ า, ภาพระปฏิบัติตามวินัยยัยงไม่ได้แสดงธรรมะแค่เดินไปโยมก็เลื่อมใสแล้วอยากไหว้อยากกราบยกตัวอย่างเช่น พระอาศาัศชิพระอัศาชิเป็นหนึ่งในปัญจวคีบวชใหม่ๆสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์เดินบิณธบาตในขณะที่เดินบินธบาตตอนเช้าท่านก็เดินไปช้าๆเดินด้วยอาการสํารวมตอนนั้นคนที่ไปเห็นคือใครอุปติสามานกว่าที่พระสารีบุตรคืออุปติสามานกไปเห็นแล้วเอ้ยองค์นี้แปลกๆไอ้ที่เราเคยเห็นพระมาเนี่ยกระโดกกระเดกไม่น่าเรื่อมใสไม่ค่อยเรียบร้อยแต่เห็นพระองค์นี้แปลกๆนะ สงบเรียบร้อยหน้าเรื้มใส่มีอินทรีย์สงสัยจะมีอะไรแน่ก็เลยตามไปข้างหลังตามมิติจะถามไม่ถามจะถามไม่ถามในที่สุดทนไม่ไหวท่านท่านนิมนต์หยู่สักนิดหนึ่งผมอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งว่าท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านทําไมท่านเนี่ยเดินบิณฑบาตด้วยอาการอันสงบหน้าเรื่้มใสจริงๆผมก็เป็นนักบวชเหมือนกับท่าน ผมก็จบด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ในสมัยนั้นก็เรียกว่าไตรเทพจบไตรเทพเหมือนกันมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าดูสมมนานักบวชเหล่าอื่นแล้วไม่ค่อยเลื่อมใสแต่เห็นท่านเนี่ยผมเลื่อมใสจริงๆนะเพราะฉะนั้นอุปติสสะมานพไปถามพระอาษิชิซึ่งกําลังบินทบาทพระกํากลังบินทบาทก็ไม่ควรเทศท่านก็บอกเอออาตมาบวชใหม่เทศก็ยังไม่เทศไม่เก่งรู้นิดๆหน่นนอยๆและตรงนี้ก็เป็นเวลาบินทบาทด้วยโยมรอสักนิดหนึ่ง อุปติสามาโนปลอไม่ไหวท่านสักนิดหนึ่งเหอะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนขนาดไหนฮะสักคาถาหนึ่งก็พอไม่ต้องอธิบายหรอกเทศเฉพาะคาถาเดียวไม่ต้องแปลด้วยเอาคาถาอะไรดีเออตัมมาก็บวตใหม่จําได้แค่คาถาเดียวเฮธเยธรรมาเฮธ ต, ตุปปวาเตสังตถากระตุงอะเยเตสังเหตุงตถากรตุ้าตอาหเา ต, ต, าหาตสังจ่ายโยนิโรโทจ่าเอวังวาทีมาสัมโนจําได้แค่คาถาเนี่ยอืม อาตมาจำได้คาถาเดียวนายมไม่เป็นหลายท่านท่านเทศมาเหอะเป็นภาษาบาลีคาถาเดียวก็พอการรู้โดยร้อยในพันในเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านะอุปติพระอศิมาโนพระอัศชิเทละนะท่านก็เลยกล่าวคาถาว่ายีธรรมาเหตุปะพวาเตสังเหตุงดนตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน พระอัศจิเถระกล่าวเพียงคาถาเดียวคาถาคือสี่บาทสี่ท่อนแต่สี่บาทสี่ท่อนเนี่ยพระอัศจิเถระยังกล่าวไม่ทันจบเลยจบครึ่งคาถาว่าเยธรรมาเหตุตุปปะพวาเตสังเหตุตรงคาถากโตอาหะจบตรงที่อาหะครึ่งคาถาจบครึ่งคาถาอุปติสสมานาุปวัติภาษาลิบุตรเข้าใจร้อยไหนพันใน เราฟังไม่รู้กี่ครั้งทำทั้งหลายมีเหตุเป็นเด่นเกิดจะดับก็ดับแต่เหตุเราฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วฟังพระเทศอ่านเองบ้างไม่สําเร็จแต่อุปติสัมานพเนี่ยฟังแล้วได้สําเร็จฟังยังไงคําเนี้ท่านแปลได้พันในเราแปลได้ในเดียวก็เลยไม่สําเร็จนะฮะเขามีคนแปลนโมตสัสานี่ออกมาหนึ่งพันใน นโมดศาปัจกาวาโตที่เราเคยแปลเนี่ยมีคนแปลมาแล้วพระเถระรูปหนึ่งท่านแปลหนึ่งพันในวิธีการแปลแปลจนเห็นสภาวะปรัมัทธธรรมในคาถาทุกตัวอักษรเล็กกว่านโมพันในตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราฟังในเยธ ร, รมมาทำทั้งหลายภาษาลิบุตรหรือกว่านี้อีกเยธรรมมาทุกขาาัสสัตทั้งหลายเหล่าใดทุกษัตริย์คืออะไรโลกียจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอ็ดเวนโลภะรูปยี่สิบแปด โลกิยะจิตแ1ดสิบอ็ดคืออะไรอ้าวโลกิยะจิตแปดอดก็กาวมาวจราจิตห้าสิบนะแล้วก็มหกตาจิตยนะี่สิบเจ็ดน่ะเจตสิก้า้าสิบห้าสิบเอ็ดเว้นโลภะนะทั้งหมดนั้นคือสภาวะทํามห้สองแล้วก็รูปยี่สิบแปดท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยข้อแรกเยธรมา ค, คือทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจเป็นอะไรเป็นวิปัสนาภูมิเป็นธรรมะที่จะกำหนดวิปัสนาได้ เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่จะกำหนดที่ปั ส, สนาได้ภาษารีบุตรฟังอุปติสสะมานุวานทีภาษาริบุตรฟังกอฟังจบเห็นสภาวะธรรมเหตุตุปภะวาเตสังเหตุตุปภะวาธรรมที่เป็นเหตุในที่นี้คือสมุทัยสัตต์องค์ธรรมได้แก่โลภะซึ่งเป็นหนึ่งใน52ของเจดสิกอ้าวเห็นแล้วอริยสัจข้อที่สองคือสมูทัยสัตว์เตสังเหตุตุงเหตุดับแห่งธรรมเหล่านั้นคือมรรคกิจจัก นะเราท่านภาษาลิบุตรว่าทีภาษาลิบุตรเตสังเหตุุงเห็นแล้วมักสัจจะเตสังจัยโยนิโรโทเห็นแล้วนิโรทสัจจะฟังครึ่งคาหาเห็นพันในพอฟังไปพิจารณาตามไปสําเร็จเป็นโสดาบันนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้ามีปัญญาก็จะเห็นทั้งสภาวะเห็นทั้งบัญญัติเห็นทั้งประมาทัยในขณะเดียวกันแล้วก็พิจารณาตามไปมีทางสําเร็จเพราะฉะนั้นการจะเป็นพระข้อแรก ต้องทําให้ชาวบ้านเลื่อมใสจะชาวบ้านจะเลื่อมใสพระก็ต้องมีขันติต้องมีอุดมการณ์แล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นบรรปชิตควรทําตัวอย่างไรเป็นสมณะควรทําตัวอย่างไรเมื่อทําตัวเป็นแล้วแม้แต่ผู้ที่มีปัญญามากที่สุดคืออุปติสาัมมาโนกคือว่าที่ภาษาลิบุตรก็ยังเลื่อมใสเลยเลื่อมใสพระที่บวชใหม่ๆคือหนึ่งในห้าของปัญจวัคคีคือพระอัษฎีซึ่งเป็นพระเทระที่อายุน้อยที่สุด ความรู้ก็ไม่มากแต่ท่านสํารวมเรียบร้อยรู้จั ก, กว่าเป็นพระควรทําตัวอย่างไรเป็นสมณะควรทำตัวอย่างไรเมื่อทําให้ชาวบ้านเลื่อมใสได้ไปแล้ว50คะแนนให้คาถาครึ่งคาถาได้อีก50นาคะแนนรวมแล้วร้อยคะแนนอุปติสัมานพสําเร็จเป็นพระอริยะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระได้เนี่ยต้องมีคาต้องเข้าใจว่าอุดมการณ์ของพระคืออะไรเพราะฉะนั้นคาถาสําหรับโอวาทาปฏิโมกษ คือคาถาปุกระดมพระให้รู้ว่าเป็นพระควรทำยังไงถ้าเป็นพระเต็มสูตรเต็มสมบูรณ์แล้วเนี่ยญาติโยมก็อยากจะกราบอยากจะไหว้อยากจะฟังธรรมะฟังนิดหน่อยแต่ว่าได้ผลดังเช่นอุปติสามาโนกฟังกับพระอาสชินะเพราะฉะนั้นคาถานี้ โอวาทปาติโมกนี่จุดประสงค์พระพุทธองค์ไม่ใช่แสดงแก่ญาติโยมแสดงแก่พระแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือญาติโยมได้ฟังไปด้วยนะและญาติโยมในะพระในใ น, ในสมัยที่พระองค์ทรงแสดงนั้นแสดงแก่พระอริยะอย่างเดียวถ้ามีสงฆ์ปุถุชนเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะไม่แสดงโอวาทปาติโมกให้แสดงอาณาปาติโมกแทนนะเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกตอนนี้เราก็ทราบจุดประสงค์แล้วแสดงเพื่ออะไรแสดงแก่ใครเพราะแต่พระ รู้หน้าที่ของพระทําหน้าที่ของพระแล้วก็ทําหน้าที่ของพระถูกต้องทําหน้าที่ของพระครบเมื่อทําหน้าที่ของพระครบคือทําตัวให้ดีศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้ถูกหลังจากนั้นก็นําธรรมะส่วนที่เองรู้เข้าใจไปสั่งสอนญาติโยมแค่นี้แหละการเผยแพร่ของผู้ศาสนาก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคาถานี้จริงๆแล้วเป็นคาถาที่วางเป้าหมายว่าก่อนจะเป็นพระจะเผยแพร่ศาสนา ต้องเอาธรรมะมาอยู่ในใจของพระภิสูจก่อนถ้าเราจะให้ธรรมะกับผู้อื่นถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจจะเอาอะไรไปให้คนอื่นถ้าเราไม่มีเมตตาในใจจะเอาเมตตาจากที่ไหนไปเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองจะเอาเงินทองที่ไหนไปเผืแผ่คนยากคนจนถ้าเราไม่มีปัญญาจะเอาความรู้ที่ไหนไปให้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีความดีจะเอาความดีที่ไหนไปแสดงแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระ ต้องมีคุณสมบัติดังที่แสดงมาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปลุกระดมให้พระพุทธศาสนาทุกรูปต้องมีความรู้ความเข้าใจต้องเป็นผู้พระที่สัมมาปฏิบัติต้องมีขันติ ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครบดึงศรัทธาญาติโยมได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าท่านออกไปแสดงธรรมท่านก็จะประสบความสำเร็จคือมีเอาความรู้ที่ตนเองรู้แล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติน่ะอย่างทองแท้มาแล้วนำไปบอกกล่าวญาติโยมพูดคำหนึ่งคนก็เชื่อพูดสองคำคนก็เชื่อเพราะอะไรท่านก็รู้จริงปฏิบัติจริงนะถ้าไม่รู้จริงไม่ปฏิบัติจริงคนก็จะลังเลสงสยัยเพราะฉะนั้น จะมีความรู้น้อยก็ตามจะมีความรู้อย่างไรก็ตามถ้าพระพิสุทําตัวเป็นพระพิสุอย่างถูกต้องหรือเข้าใจความเป็นพระอย่างถูกต้องทําความเป็นสมณะทําความเป็นบรรพชิตสามารถที่จะช่วยปกปักรักษาศา ส, สนาเอาไว้ได้อันนั้นก็คาถาของโอวาทาปฏติโมซึ่งก็ได้แสดงมาพอเป็นแนวทางที่จะให้จัตฐาญาติโยมสาธุชนได้นําไปประพฤตินําไปปฏิบัติเพราะโอวาทาปฏติโมกนี้ ในศาสนาของเราคือวันที่เป็นจาตุรงคสันนิบาตวันจตุรงคสันนิบาตคือวันที่ประกอบด้วยองค์สี่พระพิสุสง์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพิสุสง์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ได้อภิน ญ, ญาหกพิสุสง์เหล่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปวให้เองเรียกว่าบวชได้เอหิพิคุอุปสัมปทาและวันมาฆบูชาเป็นวันที่ต้องการแสดง แอบเป้าหมายสูงสุดคือสังฆสามคัคคีทำไมจึงต้องสังฆสามคัคคีสังฆะ ส, ะสามคัคคีการพร้อมเพียงของหมู่แห่งสงสุขโขเป็นเหตุดำมาซึ่งความสุขความสุขในหมู่สงความสุขในหมู่พุทธบริษัทถ้าพิสูุสงสามัคคีกันทำงานพร้อมเพียงกันาศาสนาก็รุ่งเรืองพุทธศาสนาก็เจริญ ก้าวหน้ารุดไปไกลศรัทธาญาติโยมก็มีแต่ความเลื่อมใสถ้าศาสนาไม่พิสูจน์สงในศาสนาไม่มีความพร้อมเพียงกันญาติโยมก็ไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลที่พระพิสูจน์แตกกันเป็นสองฝากสองฝ่ายพิสูจน์ชาวเมืองโกสัมพีญาติโยมก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนในที่สุดก็เลยลงโทษพระลงโทษพระลงโทษยังไงไม่ใส่บาตรให้ฉันเพระไม่ใส่บาตรได้ฉันลงโทษตรงนี้พระพิสูจน์ต้องยอมนะยกธงขาวยอม เพราะนั้นถ้าเห็นถ้าโยมเห็นผ้าแตกกันเมื่อไหร่ก็ลองลองใช้สูตรนี้ดูนะแต่อย่าทำนานเกินไปเดี๋ยวท่านจะสึกหมดเพราะฉะนั้นการดีพระพิสุสงสาเมื่อขี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ศาสนาของเรารุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นเป็นความรุ่งเรืองภายในและเป็นความรุ่งเรืองอย่างถาวรเป็นหลักการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามาให้กับพระพิสุสงฆ์และโอวานท่าปฏิโมกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแสดงอยู่20พรรษา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโกรสัตว์โปรดเวนยสัตว์สี 45, ่สิบห้าพันษา 45้าพรรษาในช่วงยีสพรรษาแรกเรียกว่าปฐมโพธิการในช่วงปฐมโพธิการนี้ยังไม่มีสงที่เป็นปุถุชนมีแต่สงที่เป็นอริยะอย่างน้อยเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงโอวาทปฏติโมกแต่หลังจากพรรษาที่ยีสเป็นต้นไปมีสงที่เข้ามาบวชแล้วไม่สําเร็จเป็นพระอริยะคือยังเป็นปุถุชนอยู่นะับตั้งแต่วันนั้นพระองค์ไม่แสดงโอวาทปฏติโมกอีกเลย แต่ให้พระสงฆ์ทรงแสดงอาณาปาติโมกหรือที่เราเข้าใจว่าพระสงฆ์ลงอุโบสถสวดปาติโมกนั่นเองถ้าเราเข้าไปในโบสถ์เราก็จะได้ยินพระดันสวดโยบนาบิกุสิโยบนบีกบิกูนาสิกาสีวะบุะสิกขาะปัจจยาตุเปนยัางนันาวิกาตวามิทุนันธมบริเซวยะอนัมโสติระชนะกตายาบีปราชิโกตสังวาโสนะฮะในลักษณะนี้คือโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกต้องสวดทุก15วันทาไมเพื่อให้พระวะรู้จะเป็นพระได้เนี่ยต้องมีต้องประพฤติตามกฎนี้ ถ้าไม่ทําตามกฎนี้แล้วไม่เป็นพระที่สมบูรณ์ถ้าไม่เป็นพระสมบูรณ์ช่วยรักษาศา ส, สนาไว้ได้ไหมรักษาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาณาปาติโมกต้องสวดทุกวันวทุกสวดทุกสิบห้าวันนะซึ่งเป็นปาติโมกที่พิสูจน์สงสวดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สวดเรียกว่าอานาปาติโมกและวันพรุ่งนี้คือวันมาค้าบูชาเนี่ยก่อนที่พุทธองค์จะแสดงโอวาทปาติโมกพุทธองค์ได้แสดง โอวาท้าปฏิโมกและได้ลงอุโบสถอุโบสถที่พระองค์แสดงลงนั้นเป็นปาริสุทธิอุโบสถคือแสดงความบริสุทธิ์นะปริสุดทิ้งนะปริสุทธิ้งอาหารนะก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีข้อวัดปฏิบัติแม้แต่สนิดเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีเรียกว่าปาริสุทธิอุโบสถไปแสดงความบริสุทธิ์ต่อกันในอุโบสถเรียกว่าวันมาฆาปูชานั่นเองแต่ในยุคสมัยหลังนี้ที่จะบอกถึงความบริสุทธิ์อย่างนั้นได้เนี่ยยาก ก็เลยเปลี่ยนวิธีการแสดงอุโบสถเป็นสังฆอุโบสถแล้วก็มีการแสดงอานาปาติโมกที่พระท่านลงสวดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมะในหัวข้อโอวาทปาติโมกซึ่งได้ยกมาเป็นคาถาว่าขันติปรมังตะโปติจิขานิพานังปรมังวัันิพุทธานะยิปปัชิโตบรูปรคาตีนสัมนโนโหติบังวิเหทะยันโต พปะปาปัสสะอัการนังกุสรสะอุปสัมปทาสจิตต์าประโยชน์ธบนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุบวาโทอนุบคาโตปาติโมเขจะสังวโรมตัญยุตาจะพัจสมิงปันตัญจะเสนาสนังอัติจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังซึ่งได้นำมาแสดงไว้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีและการเข้าถึงอัดถึงธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิน